ม ก, กราคมพุทธศักราช2558วันนี้ก็เป็นวันหนึ่งที่พวกเราที่หลวงพ่อจะได้พูดกล่าวทำความเข้าใจในเรื่องต่างๆให้คณะศนระัทธาญาติโยมพระของหลวงพ่อได้ฟังได้ศึกษาการอยู่ด้วยกันเป็นวัดวาศาสนาหรือว่าเป็นหมู่เป็นคณะ การอยู่ด้วยกันเป็นหมู่เป็นคณะถ้าอยู่องค์เดียวไม่มีปัญหาเพราะหลวงพ่ออยู่องค์เดียวอยู่ยังไงกินยังไงใช้ยังไงไปยังไงมายังไงเพราะอยู่องค์เดียวแต่ถ้าาว่าอยู่สององค์ขึ้นไปแล้วต้องมีกฎกติกาว่าการอยู่ด้วยกันเราสององค์เนี่ย เ, เราจะมานัดพบกัน ตอนเช้าเวลาเท่าไหร่ เ, เมื่อแสงสว่างขึ้นมาแล้วเราจะต้องไปบินธบัตเวลาเท่าไหร่ลามาฉันยังไงและก็แยกย้ายกันยังไงไปภาวนากันยังไงถ้าสององค์ขึ้นมาก็ต้องมีกฎขึ้นมาล่ะถ้ามีสามองค์ขึ้นมาก็ ก, ก็ยิ่งเข้มงวดขึ้นมาอีกอถ้าเป็นสามสิบกว่าองค์อย่างวันเนนะ่ก็ต้องมีกฎกติกา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 เพราะนั้นพวกเราอยู่ด้วยกันามากน้อยอกฎกติกาต้องมีแต่ถึงยังไงหลวงพ่อเองที่ได้ศึกษาอยู่กับครูบาอาจารย์อยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งอยู่ยกับองค์หลวงตา ท, ที่ท่านบริหารดูแลพระเนนศรัทธาญาติโยมผู้เกี่ยวข้องอย่างไรเราต้องถือท่าน หรือลงตาเป็นแบบฉบับเป็นตัวอย่างการจะช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์มากน้อยอย่างไรแค่ไหนหลวงตาก็มองช่วยดูแลการเป็นอยู่แต่ถึงอย่างไรก็ตามการเป็นอยู่ที่หลวงตาสงเคราะห์อนุเคราะห์ท่านก็ให้ด้วยความบำมบางทีก็ให้ความด้วยความจาเป็นแต่ละคน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 อย่างบางวัดเข้าไปก็เจาะบ่อน้าบาดาลเสร็จแล้วก่อนจะ ต, ตามไม่จริงก็ต่งใช้เครื่องสูบน้าบาดาลขึ้นมาใช้แต่พระท่านก็ไปขอเครื่องสมมติเพื่อจะสูบน้ําด้วยไฟฟ้าแล้วก็ติดเครื่องไฟพอไปขอตอนนั้นแหละเหมือนกับไปอาราธนาเทพอะไรตัวไห ทันดุไม่มีชิ้นดีเลย น, น่ะสิ่งเหล่านี้คือหลวงตาท่านจะมองความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าหาว่ามันมีความจำเป็นท่านก็ให้ถ้าหาว่าเรามีความสามารถเองเราก็ทต้องทำเองไม่ต้องไปขอท่านแต่ถ้าว่าไปขอจากท่านเรามีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความจำเป็นมาก เราก็ขอเท่าที่จำเป็นแต่ถ้ามันเกินความจำเป็นเพื่อความสะดวกสบายสำหรับตนเองหลวงตาจะไม่ให้นะจุดนั้นนะท่านว่าท่านว่าฟุ่มเฟือยฟุ่มเฟือยเหลือเฟือในการจะจะให้จุดนั้นโดยมากจะโดนขูนะ่เพราะนั้นหลวงพ่อเองมาอยู่ที่นี่นะไม่เคยขอไม่เคยเข้าไปขอทั้งด้านวัตถุจากองค์หลวงตาที่ระลึกได้นะ นึกย้อนหลังดูไม่เคยที่จะเข้าไปขอว่ากับผมขอนั้นกับผมขอนี้เอจากลงตาเว้นเสียลงตามาเห็นท่านถามว่าฮเฮยังไงมีสาดน้ํำไหมต้องการสาดน้ํำไหมดูนะสํารวจดูนะครับผมพอเสร็จแล้วเออมีอยู่กับผมจะกดจุดนั้นจุดนี้อแล้วก็ ค่าแรงเขาว่าอย่างไงเราก็เตรียมค่าแรงไปด้วยเพื่อติดต่อทางกรรโปกลางทางทหารเขาก็จะให้ช่วยทางน้ามันค่าแรงไม่มีแต่ค่าน้ามันแล้วก็กราบเทียนท่านอย่างกำแพงอะไรก็ตามท่านก็ให้มาเลยสิ่งนั้นที่ท่านจะให้ท่านให้มา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 สมัยนั้นทางเข้ามาลําบากท่านก็เมตตาสงเคราะห์อนุเคราะห์ท่านจะว่าไปแล้วก็วัดของเราก็เป็นวัดใหญเ่เนื้อที่กว้างไม่ใช่วัดใหญ่นะเนื้อที่กว้างนะท่านก็เห็นว่าจะเกิดประโยชน์ที่จะนอนุรักษ์หรือรักษาไว้ท่านก็เมตตาให้อย่างกําแพงอย่างเนี้ยกำแพงในะตัวนี้แหละใหนะ้ถ้าเป็นคิดเป็นเงินสมัยนะั้นก็20สิบกว่าล้านนะ เพราะกแพงยาว6กิโลก็เจ็ดร้อกว่าเมตรถ้าทุกวันเนี่ยมันร้อยล้านอาจะไม่อยู่เพราะปูนเหล็กหินสมัยนั้นมันถูกกว่าสมัยนี้เกือบสองสามเท่าตัวนะเพราะนั้นทายะว่าไปคือลูกตาท่านอนุเคราะห์นี่แหละมาถึงพอมองเห็นท่านแล้วเราก็ต้องมอง เมื่อเรามาอยู่ในระดับนี้เราก็ต้องมองลูกน้องบริวารอีกเหมือนกันควรจะสงเคราะห์อนุเคราะห์อย่างไรมากน้อยแค่ใด อ, อันนี้ก็ทุกคนให้ด้วยความเมื่อจำเป็น เ, เมื่อจาเป็นจะต้องได้ใช้ในการประพฤติธปฏิบัติธรรมขอยาให้มันแรงแค้นกันดาลลำบากใจจนเกินไปแต่ก็ไมา่ให้ฟุ่งเฟือย ฟุ้งเฟอเอเอเอ้อเห่อเหิมไม่ใช่ว่าเข้ามาอยู่สู่วัดวาศาสนาแล้วอยู่อย่าง เ, เหลือเฟือฟุ่งเฟือยอันนั้นก็ไม่น่าจะถูกเหมือนกันแต่อยู่แบบไม่มีอะไรจะอยู่จะกินทุกยากลําบากเกินไปอันนั้นก็ไม่น่าจะถูกจ ะ, จะทํำยังไงจึงจะพอเหมาะอันนี้แหละสิ่งนี้แหละคือว่าพอเหมาะถูกต้องเป็นธรรมจุดนี้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 แล้วก็รู้จักประมาณตนในการเก็บจับจ่ายใช้สอยเพราะบางทีมันก็มีบางทีมันก็จนบางทีมันก็ขาดเนะไม่ใช่ว่าจะได้เต็มทุกครั้งมาใช่เหมือนกับน้ําโขงนะ้นําล้างของเรานะเวลามันมีมันก็เอ่อขึ้นมาเวลามันแห้งเราจะไปร้องไห้ว่าทําไมมันไม่เต็มฝั่งเหมือนแต่ก่อนบางทีแล้วมันเต็มฝั่งกัน จนล้นหลามลำคาญเอ่มันทําไมมันมากมายถึงขนาดนี้วะเบื่อมันอีกแต่พอมันมันแห้งลงไปเอไปร้องไห้กับมันอีกเลยทําไมมันหมดไปเอ่มันมีเราก็รู้ว่ามันมีเวลาจนเราก็รู้ว่ามันจนถ้าเราผู้ปฏิบัติธรรมแล้วต้องมองได้หลายด้านมองได้หลายมุมมองได้หลาย เรื่องราวที่สิ่งที่มาเกี่ยวข้องเพราะนั้นท่าว่าพวกนักปฏิบัตินักภาวนาทั้งหลายไม่เพ่งมองไม่ตรวจตราในสิ่งเหล่านี้แล้วใครจะเป็นคนรู้จักประมาณตนทำพวกพวกเราไม่รู้จักประมาณตนบริหารจัดการไม่ถูกนะเดือดร้อนนะเดือดร้อนวุ่นวายแต่ก่อนเคยมีเคยเป็นเคยมาอย่างนี้ทำไมเป็นอย่างนี้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 บวชเข้ามาได้ห้าพันษาพอหพันษาแล้วก็กราบลาพระพุทธเจ้าไปบาเพ็ญในป่าคือคือก่อนที่จะออกจากวัดป่าเชตตะวันโดยมากพระต้องหพันษาเป็นนิสัยมุตตะซะก่อนที่ท่านก็ไปภาวนาอยู่ในป่าบำเพ็ญไปบำเพ็ญอยู่ในป่าพอไปบาเพ็ญแล้วใจมันถอยยัใจมันถอยมันเสื่อมอใจมันเสื่อม กลับมาวัานนู้ผมอยากจะศึกพระทั้งหลายเห็นท่านโอ้ทำไมทำไมท่านจึงเจะศึกละ่ะไปก่อนที่จะศึกก็ไปกราบพระพุทธเจ้าซะก่อนอพระสงฆ์ก็เสียดายเสียดายพระที่ท่านต้องอกตั้งใจแต่ก่อนหน้านี้ประพฤติปฏิบัติเป็นผู้ใส่ใจในการในหลักพระธรรมวินัยแต่มาทำไมมันห<ส>ลบอย่างนี้วะ เพราะเพราะอะไรนะแต่ทีพระสงฆ์ก็เลยไปกราบพาพระองค์นั้นไปกราบพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์บอกว่าดูก่อนเธอเออเธอทำไมจึงถอยหลังทำไมจึงหลบแต่ในครั้งก่อนหน้านี้นะเนี่ยเธอเนะี่ยได้รับบัณฑิตนักปราชญ์เป็นผู้ชี้นำชี้แนะนะท่านเป็นผู้ได้สวยราชนะได้เป็นพระเจ้าแผ่นดิน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 พระองค์บอกว่าสมัยหนึ่งพระเจ้าพรหมทัตของราชสมบัติในกรุงพาราณสีพระเจ้าแผ่นดินมีลูกถึงร้อยคนคงจะเป็นมีภรรยาหลายคนมีลูกร้อยคนแต่พระเจ้าแผ่นดินท่านก็วางแผนพระบิดาวางแผนลกลูกคนใหญ่ไปปกครองเมืองนั้นหรลูกคนที่สองปกครองเมืองนั้นถึงเก้าหัวเมือง ที่ให้ไปป ก, ปกครองนะแต่ยังยังเหลือคนเล็กนะแต่คนเล็กนี่ได้ได้อาจารย์ดีได้นักปราน ด, ดีนะใครข้าว่าเป็นทิสปาโมกอาจารย์เป็นอมตเป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้แนะนำอำมต้เป็นผู้แนะนาพระราชโอรสอ ง, งเล็กเนะี่ยควรปฏิบัติอย่างนั้นควรปฏิบัติอย่างนี้เออทีนี้ก็ พระราชโอรสองค์เล็กเนี่ยก็ปฏิบัติตามอาจารย์อาจารย์แนะนํำยังไงทําอย่างนั้นล้วนแล้วแต่เรื่องสงเคราะห์ประชาสัมพันธ์ตอนรับแขกรู้จักสูงรู้จักต่ํารู้จักสิ่งควรไม่ควรรู้จักผู้น้อยผู้ใหญ่รู้จักแบ่งปันลูกน้องบริวารโดยมากอาจารย์จะสอนคล้ายๆว่าให้มีมนุษย์สัมพันธ์แล้วก็การเป็นอยู่ให้ รู้จักการวางตัวรู้จักสูงรู้จักต่ํารู้จักสิ่งควรไม่ควรอาจารย์ที่สั ป, ปโมก ค, คนนี้ก็พยายามสอนกุ ม, มารคนนี้กุ ม, มารคนนี้ก็เป็นคนไฝ่ในการศึกษาเป็นผู้มีปัญญาอีกต่างหากฉเฉลียวฉลาดแต่เนี้ยถ้าก็ทําพอต่อมาอพระบิดาก็อายุมากแล้วแต่จะสวรรค์คร อํามาตย์ทั้งหลายก็ถามเป็นความลับว่าเมื่อพระองค์ปรินิพพาน เ, เมื่อพระองค์สวรรคตแล้วจะเฉเวชชัดหรือว่าราชสมบัติจะยกให้ลูกคนไหนเนอพระกุมารคนองค์ไหนหนอพระเจ้าข่าพระเจ้าเป็นดินท่านก็บอกอืสุดแท้แต่อํามาตย์ทั้งหลายพูดแท้แต่พวกท่านทั้งหลายเห็นสมควร ว่าจะยกให้กับใครก็ได้ที่เป็นที่ยอมรับยอมรับกันในในกรุงทุ่นทุหน้ากันแล้วก็ควรจะยกให้องค์นั้นแหะท่านเขาไม่ได้บอกว่าให้องค์นั้นองค์นี้นะพระบิดานะแต่เดี๋ยวจากนั้นกัตริย์นคตไปพอสวรรคตไปพวกอํมมาดทั้งหลายก็เลยอืมเนี่ยพระกุะะมารองค์เล็กเนี่ยองค์สุดท้องเนี่ย เข้ากับประชาชนได้ดีเข้ากับอะไรได้ดีลักษณะอย่างนั้นนะเป็นผู้ฉเฉลียวฉลาดคนในเมืองเขาก็เลยทำหน้าที่ก็เลยยกให้ราชโองลดองเล็กทีนี้พวกพระเจ้าพี่ทั้งหลาย99คนนะ่ะเก้าหัวเมืองนะไม่พอใจจากนั้นก็ยกทัพมาเลยยกทัพมาถึง99้าบหัวเมือง มาล้อมเลยมาล้อมบอกว่าจะออกมารบหรือจะยออหรือจะมอบระราชสมบัติให้แต่โดยดีถ้าจะออกมารบก็มารบได้ถ้าอย่างนั้นก็ต้องมอบพระราชสมบัติให้แก่พวกเราคือยื่นคําขาดเข้าไปเลยพระเจ้าพี่ทั้งเก้าสิบเก้าคนทางปโลฮิตตายยานอัมมาศก็บอกว่า จะทํำยังไงเนะบ้านเมืองลักษณะอย่างนี้นะอามาตย์โปรหิตถาอาจารย์ก็บอกว่าให้พระองค์แบ่งเมืองเนะี่ยให้เป็นร้อยส่วนเลยต้องการแล้วก็แบ่งแบ่งเป็นร้อยส่วนแบ่งให้ทุกคนไม่ให้เพราะเราเป็นลูกของพระเจ้าแผ่นดินพระบิดาทุกคนก็ต้องแบ่งให้ทุกคนมากน้อยก็ต้องแบ่งให้ทุกคน แต่นี้พักทางน้องชายที่เป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้รับสเสวชัด ร, ราชสมบัติเนี่ยก็ส่งสารไปถึงพระเจ้าพี่ทั้งหมดเ อ, อผมยอมยกราชสมบัติแบ่งกันในพี่น้องเพราเราเป็นพี่น้องกันเราต้องแบ่งกันให้ทั่วถึงให้เฉลี่ยกันให้ทั่วถึงถึงร้อถึงร้อยส่วนแบ่งกันเป็นร้อยร้อยที่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 ร้อยหัวเมืองเลยจะทํำยังไงใช่ไหมปกครองเป็นจังหวัดจังหวัดมันก็นยังพอทาําเอาแต่นี้ปกครองเป็นร้อยหัวเมืองนะ่ยมันไม่ใช่ธรรมดาเลยนะพระเจ้าพี่ชื่อ พ, พระอุโบสถเนะี่ยชื่อพี่ชายใหญ่ก็บอกเออน้องชายของเราเป็นผู้มีปัญญาแล้วถามเขาใชว่าการบริหารจัดการของของของน้องเนะี่ยทายังไงน้องชายก็บอกว่าผม ได้รับมาจากพระอาจารย์บอกว่าให้อ่อนน้อมถ่อมตนให้รู้จักแบ่งปันให้รู้จักสูงรู้จักต่ํา ใ, ให้รู้จักแขกบ้านแขกเมืองให้รู้จักสถานะลูกน้องบริวารข้าทาสบริวารลูกน้องควรจะแบ่งปันยังไงกระผมเฉลือดเผื่อแผ่ให้ทั่วถึงกันครับผมพระเจ้าพี่ พระเจ้าพี่โอ้เนี่เป็นผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาดเชีย่ยแผลมเอาเท่านั้นน้องๆทางหลายนะผมเป็นพระเจ้าพี่ถ้าเราจะแบ่งกันก็มันก็เท่านั้นล่ะเพราะเราไปเป็นลูกของพ่อด้วยกันผมว่านายกให้น้องซะนะให้น้องปกครองพวกเราออกไปปกครองหัวเมืองที่พระบิดามอบให้แต่เราหัวเมืองก็แล้วกันนะ่ะ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 ก็เลยยกมอบให้สเสวิตชัดให้น้องชายคนเล็กบริหารจัดการต่อไปนีนะ่ชาดกในเรื่องนี้พระองค์ก็บอกว่านี่นะสมัยนั้นนะเธอ เ, เป็นพระเจ้าแผ่นดินปกครองแต่เรา เ, เป็นทิศปาโมกอาจารย์เราเป็นผู้ให้คำแนะนำจนเธอได้เป็ น, ปนผู้คลองลาดในยุคสมัยนั้น แต่มาบัดนี้เธอจะอ่อนแอถอยหลังได้อย่างไงต้องสู้แต่ทํายังไงจึงจะเอาชนะกิเลสภายในใจของท่านให้ได้ต้องสู้อย่าถอย เ, อเพอเกิดมาในในชาตินั้นเราเพียงเป็นบัณฑิตนักปราชญ์ยังไม่ได้พูดตัดรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณอย่างชาตินี้แต่ชาตินี้เราตถาคตเป็นขนาดนี้แล้วเธอจะไปถอยหลังได้อย่างไร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 หัวพีพ่่ทั้งหลายใ น, ในหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนาโดยมากจะให้เฉลือดเผื่อแพ่กัน ใ, นใครสมควรที่จะได้อย่างไรควรจะแบ่งกันนะอย่างที่พระกุ ม, มารองค์สุดท้ายนะแบ่งสมบัติให้ยอมยกสมบัติให้พี่ทั้งหมดแบ่งกัน น, ะนี่แหละอันนี้ก็เหมือนในหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนาในการบริหารจัดการถ้ามันเป็นธรรมแล้วนะ่ มันจะร่มเย็นเป็นสุขอยู่วัดวาศาสนาใดประเทศชาติบ้านเมืองใดถ้ามีการแบ่งปันกันเคารพสูงต่ำให้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนตอกซึ่งกันและกันชมชนในกลุ่มนั้นประเทศชาติในกลุ่มนั้นก็จะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขท่วนหน้ากันแต่ถ้าว่าทิฏฐิมานะทิฏฐิคือความเห็น มานะคือความแข็งกระด้าง เ, เข้าไปชนเข้าไปแล้วนะไม่ฝ่ายใดก็ต้องฝ่ายหนึ่งจบหายกันต้องสองฝ่ายถึงจะเป็นฝ่ายชนะก็เถอะก็สะบักสะบอมไปจนจะตั้งตัวไม่ติดผลใ น, ะนสูคือเพียงพ้ำไปแล้วก็ไปหาที่ตายอีกเหมือนเก่าเนะพระเหตุใดเพราอมันสู้กันจนพอแรงแต่ถ้าว่ามีเมตตาต่อกันสงเคราะห์อนุเคราะห์กันแล้ว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 นี่แหละอันนี้ก็คือเรื่องการบริหารจัดการต่อชุมชนสังคมประเทศชาติต่อโลกยุคไหนยุคในยุคสมัยใดถ้าว่ามีการสลื่อเผื่อแผ่มีการมีน้ําใจต่อกันโลกทั้งโลกในยุคนั้นสมัยนั้นก็จะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะที่ได้ยินทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเป็นพระต่อไปก็จะเป็นผู้ใหญ่ต่อไปภายภาคหน้า คณะสัตทาญาติโยมโลูกหลานก็เหมือนกันมีจะเป็นผู้ใหญ่มีอะไรเกิดขึ้น อ, อย่าไปยดึด เ, เอาแต่ตัวคนเดียวไม่ยอมเห็นหัวพี่หัวหัวพี่หัวน้องหัววงศาคณาญาติวงศาคณาญาตินั่นหละความเดือดร้อนวุ่นวายจะเกิดขึ้นในชุมชนในกลุ่มนั้นๆนะตอนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พร